อธิษฐานคนที่ตั้งใจจะทําความดีหรือตั้งใจจะทําอะไรให้เป็นผลสําเร็จแต่แล้วก็ไม่บรรลุความสําเร็จสมความตั้งใจนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถไม่พอหรือความขยันหมั่นเพียรมีไม่พอแล้วยังมีสาเหตุที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งคนในปัจจุบันมักจะไม่ค่อยนึกถึงคือการตั้งสัจจะอธิษฐาน คนโบราณไม่ว่าเขาจะทำอะไรก่อนอื่นเขาจะต้องตั้งสัจจะอธิษฐานเช่นในการปฏิบัติกรรมฐานครั้งแรกจะต้องขึ้นครูซึ่งการขึ้นครูก็คือการตั้งสัจจะในการปฏิบัติว่าจะต้องทําให้ได้และอธิษฐานขอให้เกิดความสําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้และในการนี้โดยมากจะต้องอ้างคุณพระศรีรัตนตรยัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ช่วยดลบรรดาลให้เกิดความสำเร็จหรืออ้างกับครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วให้ช่วยมาประสิทธิประสาทความสำเร็จขอให้ความคุ้มครองป้องกันอันตรายต่างๆอันอาจจะพึงมีนอกจากนี้เราจะพบอีกว่าแม้กระทั่งในหมู่โจรที่เขามีชื่อเสียงโด่งดังจริงๆนั้นก่อนที่จะทาการปล้น ก็ยังต้องทำพิธีตั้งสารเพียงตาเพื่อความสำเร็จในการปล้นและให้มีความปลอดภัยจากเรื่องในชาดกเช่นพระมหาชนกซึ่งเกิดเรือแตกในท้องทะเลก็ยังมีการตั้งสัจจะอธิษฐานในการที่ต้องพยายามไหว้เข้าฝั่งให้ได้ในเมื่อหากยังมีชีวิตซึ่งในที่สุดก็บรรลุความสำเร็จ เขามีเทพที่ดาผู้รักษามหาสมุทรมาช่วยอุ้มขึ้นฟังซึ่งเรื่องนี้แม้จะฟังดูรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องนิยายไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็ได้แฝงไว้ซึ่งคติธรรมอย่างลึกซึ้งที่แสดงให้เห็นว่าไม่ว่า ง, งานอะไรซึ่งถึงแม้จะยากขนาดมองไม่เห็นฟังแห่งความสำเร็จเลยตกอยู่ในที่มืดและเต็มไปด้วยอันตรายต่าง ดังเช่นที่พระมหาชนกตกอยู่ในท้องทะเลซึ่งตามเรื่องบอกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ก็ยังประสบความสำเร็จในเมื่อได้ตั้งสัจจะอธิษฐานและรักษาสัจจะอ น, นันไว้ได้อย่างมั่นคงพระพุทธเจ้าในคืนวันตรัสรู้ทั้งที่พระองค์ก็ทรงมีบรารมีพร้อมทุกอย่างแล้วในการที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ก็ยังต้องทรงตั้งสัจจะว่าในเมื่อพระองค์นั่งลงไปแล้วถ้าหากไม่สำเร็จก็จะไม่ยอมลุกจากที่นั่งตามเรื่องก็บอกว่าหลังจากที่พระองค์ประทับนั่งขัดสมาธิไม่นานเท่าไหร่ก็มีพญามานยกกองทัพมามืดฟ้ามัวดินทุกทิศ ท, ทุกทางเพื่อที่จะขับไล่ให้พระองค์ลุกออกไปจากที่นั้น พราะพญามานรู้ดีว่าถ้าพระองค์ตั้งใจจริงไม่ท้อถอยแล้วคืนนี้ก็จะต้องได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนแต่พญามานไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นจึงได้ยกกองทัพมาขับไล่แต่แล้วในที่สุดก็ต้องพา่ายแพ้ต่อพระพุทธองค์เรื่องราวต่างๆในทํานองนี้คนโบราณเขาทราบซึ้งกันดีมาก แต่มาในปัจจุบันซึ่งเป็นสมัยที่คนทั้งหลายมีความปราดเปรื่องด้วยวิชาการต่างๆสามารถทำอะไรได้เป็นผลสำเร็จมากมายจากการที่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ก้าวหน้ายิ่งกว่าสมัยโบราณไปมากนั้นจะเห็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่แพร่หลายมากคือคนในปัจจุบันไม่ค่อยจะนิยมรักษาสัตวจากกัน ขอให้สังเกตว่าคนที่มีความรู้มากนั้นมักจะมีเหตุผลมากเสมอและจากการที่สามารถอ้างเหตุผลได้มากนี่เองจึงเป็นเหตุให้คนสมัยนี้ไม่ค่อยจะรักษาคำพูดรักษาคำมั่นสัญญารักษาความตั้งใจไว้ให้มั่นคงเปลี่ยนสัจจะกันบ่อยๆแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆสีข้อที่สี่ ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ละเว้นจากการพูดเท็จพูดโกหกพูดบิดเบือนความจริงพูดใส่ร้ายพูดยุยงส่อเสียดการพูดในลักษณะเช่นนี้ดูเหมือนคนในปัจจุบันจะทำกันง่ายมากเพราะเหตุที่คนในปัจจุบันนิยมพูดหรือปฏิบัติในทำนองผิดศีลเช่นนี้กันอยู่เป็นประจำนี่แหละคือสายเหตุใหญ่อันหนึ่ง ที่สร้างความเดือดร้อนความระส่ำระสายให้เกิดขึ้นในสังคมทั่วไปคนทุกวันนี้นิยมการศึกษามากที่สุดเพราะเชื่อกันว่าวิชาความรู้ต่างๆ ท, ที่ได้เล่าเรียนมานั้นคือปัจจัยสำคัญที่จะบรรดาให้เกิดความสำเร็จต่างๆตามความประสงค์แต่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วคนเรียนมากรู้มากก็มีเหตุผลมาก ถ้ามีเหตุผลมากจึงได้เปลี่ยนสัจจะกันได้ บ, บ่อยๆซึ่งในบางครั้งก็สามารถยกเหตุผลขึ้นมาอ้างได้สวยมากจนอีกฝ่ายหนึ่งยอมจำนวนเถียงไม่ได้เลยและเห็นด้วยตามนั้นทั้งๆ ท, ที่คนที่อ้างก็รู้อยู่ว่ามันเป็นการไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นการเสียสัจจะแต่เขาก็ทำเพราะทนต่อความอยาก ที่จะให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้กล่าวคือถ้าอยากจะทำอะไรหรืออยากจะไปไหนอยากจะได้อะไรซึ่งรักษาสัจจะไว้ก็จะไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สงความประสงค์แต่ถ้าไม่รักษาสัจจะก็จะได้ซึ่งในกรณีที่เกิดการขัดแย้งกันเช่นนี้เขาจะรักษาประโยชน์ตามตันหาของตนเองบงการ มากกว่าที่จะรักษาสัจจะและบางคนที่จิตใจต่ำมากจะยิ่งเห็นได้ชัดว่าเขาจะทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ในขณะนั้นๆเท่านั้นแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆไม่ค่อยจะมีความสําคัญอะไรเขาก็เสียสัจจะได้บ่อยๆเปรียบเหมือนต้นไม้ประเภทไม่มีกกนซึ่งจะโอนเอ็งไปตามกระแสลมได้ง่ายมากและอายุไม่ยืน ผิดกับต้นไม้ประเภทมีแกนซึ่งถึงแม้จะลู่ไปตามกระแสะลมแต่ก็ยังรักษาต้นไว้ได้ไม่หักโค่นง่ายจเจริญเติบโตใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆและมีอายุยืนยาวพระอริยะบุคคลทั้งหลายซึ่งโดยปกติเป็นคนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆแต่ถึงกระ น, นั้นในเรื่องการรักษาสัจจะต่างๆแล้ว ท่านมั่นคงยิ่งนักแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าลงว่าท่านได้ตั้งใจว่าจะทำหรือรับปากกับใครว่ายอย่างไรท่านเป็นต้องทำให้ได้และรักษาคำพูดยิ่งนักทั้งนี้เพราะอะไรท่านจึงมีนิสัยเช่นนี้ความจริงเช่นนี้สำหรับผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อการละกิเลสแล้ว ทุกคนเห็นเหตุผลได้ง่ายมากกล่าวคือการละกิเลสซึ่งโดยธรรมดาเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่งนั้นคนที่ไม่มีสัจจะต่อให้มีความรู้ในทางธรรมสูงสักเพียงไรหรือปฏิบัติศีลได้บริสุทธิ์เพียงไรก็ตามจะไม่มีทางละกิเลสได้เลยไม่ว่าจะเป็นกิเลสเล็กๆน้อยๆสักเพียงไหนก็ละไม่ได้ เพราะกิเลสแต่ละชนิดมันสามารถสร้างเหตุผลขึ้นมาหลอกลวงได้ง่ายมากเมื่อตอนเองไม่มีสัจจะ ก, ก็จะต้องหลงกลลวงของกิเลสอยู่ร่ำไปผลที่สุดก็ละกิเลสอันนั้นไม่ได้มันยังคงมีอยู่ในสันดานตลอดไปยิ่งเป็นคนที่ฉลาดมีความรู้มากด้วยแล้วจะยิ่งเห็นได้ชัดว่าบุคคลประเภทนี้ ตกเป็นธาตของกิเลสได้ง่ายมากเพราะเขาจะมีเหตุผลนําขึ้นมาอ้างได้สารพัดเพื่อที่จะทําตามความอยากเขาหารู้ไม่ว่าเขาหลงกลของกิเลสที่มันสร้างเหตุผลขึ้นมาหลอกลวงเพราะเหตุผลที่เขาอ้างขึ้นมานั้นความจริงไม่ใช่เหตุผลของเขาแต่เป็นเหตุผลของกิเลสที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อความอยู่รอดของมัน พฤติกรรมเช่นนี้คนทุกวันเป็นกันมากก็เพราะไม่นิยมรักษาสัจจกะกันนั่นเองขอได้โปรดพิจารณาการให้ลึกซึ้งในเรื่องที่ว่าทำไมคนทุกวันนี้จึงเดือดร้อนกันมากและขอได้โปรดสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าคนสมัยปัจจุบันแม้จะเรียนจบได้ปริญญาสูงสุดแต่ที่จะทำอะไรให้เป็นผลสำเร็จจริงๆนั้นมีน้อยฉะนั้น ไม่จำเป็นต้องพูดถึงคนที่เรียนน้อยและก็ไม่นิสัยแม่รักษาสัจจะด้วยนั้นจะต้องประสบกับความผิดหวงังหรือความล้มเหลวตั้งตัวไม่ได้จะมีอีกมากสักเท่าไหร่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าคนที่มีนิสัยรักษาสัจจะมั่นคงแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่สู้จะสำคัญเขาก็รักษาคำพูดรักษาความตั้งใจมีความรับผิดชอบ ซึ่งรวมทั้งมีความซื่อสัตย์มีความกระตันอยู่ด้วยนั้นคนประเภทนี้แม้เขาจะเรียนจบเพียงแค่ป .4 เขาก็ตั้งตัวได้ขอได้โปรดพิจารณาในแง่นี้กันบ้างอย่าคิดแต่ในแง่อื่นเช่นในแง่ที่ว่าเป็นเพราะความยากจนสิ่งแวดล้อมไม่ดีไม่มีคนสนับสนุนเรียนน้อยจึงตั้งตัวไม่ได้อันที่จริง สิ่งเหล่านี้มองเห็นได้ง่ายฉะนั้นจึงมองกันแต่ในแง่เหล่านี้ส่วนเรื่องดังที่กล่าวมาไม่ค่อยจะพิจารณาถ้าทั้งที่ถ้าตั้งใจพิจารณาก็จะมองเห็นความจริงได้โดยไม่ยากคนที่ทําอะไรทําจริงไม่จับจดแม้จะยากเสักเพียงไรต้องเด็ดเหนื่อยสักเพียงไรก็พยายามทําจนได้นั้น มีใครบ้างที่จะไม่ประสบความสาเร็จในชีวิตคนที่เรียนน้อยแต่เมื่อเข้าทำอะไรบ่อยๆนานๆเขาก็จะกลายเป็นคนที่รู้มากในเรื่องเหล่านั้นไม่ใช่หรือคนส่วนมากที่ทำอะไรไม่เก่งจริงก็เป็นเพราะทำอะไรไม่จริงถ้าทำจริงๆทำไมจะไม่เก่งและที่ทำอะไรกันไม่จริงนั้นเป็นเพราะอะไรคอยพิจารณาดู คนที่ฝึกหัดรักษาสัจจะมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนกลายเป็นนิสัยนั้นไม่มีใครเลยที่จะไม่ประสบความสำเร็จขอให้สังเกตไว่อย่างหนึ่งว่าความขี้เกียจความเบื่อหน่ายท้อแท้ความไม่อดทนความประมาทสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จทุกอย่าง นิทานเรื่องเต่ากับกระต่ายแข่งกันเป็นตัวอย่างอันดีในเรื่องนี้ท่านทั้งหลายจงคิดดูคนที่ไม่รักษาสัจจะแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆนั้นนานๆเข้าเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่สำคัญสาคัญเขาก็ยอมจะล้มเลิกสัจจะได้ง่ายในเมื่อประสบกับความยากลำบากมากๆเข้าแต่สําหรับคนที่มีนิสัยรักษาสัจจะ ถือคติที่ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์มั่นคงยิ่งนานกิเลสต่างๆเช่นความขี้เกียจความไม่อดทนอะไรทํานองนี้จะมาสร้างเหตุผลหลอกลวงให้เขาล้มเลิกสิ่งที่ทําอยู่ไม่ได้เป็นอันขาดหรือจะมาหลอกให้เขาต้องผิดคามั่นสัญญากับใครๆก็ไม่ได้และในที่สุดกิเลสที่ว่านั้นก็จะหมดไปจากสันดานเอง ซึ่งคนประเภทนี้เราก็จะพบว่าแม้ว่าเขาจะเกิดมาเป็นใครอยู่ที่ไหนเขาจะเป็นคนมีนิสัยขยนันอดทนทำอะไรทำจริงเป็นคนรับผิดชอบเป็นคนรักษาคำพูดรักษาคำมั่นสัญญามาตั้งแต่เล็กๆข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าคนที่เรียนมาน้อยแต่ทำอะไรทำจริงๆไม่โลเลจับจดนั้น นานๆเข้าเขาก็จะเป็นคนที่รู้มากในเรื่องนั้นเองการเรียนไม่จำเป็นจะต้องเข้าโรงเรียนเสมอไปคนที่เรียนนอกโรงเรียนแต่ก็เก่งนั้นมีถมไปฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยสาคัญยิ่งที่จะทำให้คนเราได้บรรลุความสำเร็จนั้นอยู่ที่เรื่องของการรักษาสัจจะนั่นเองและอีกประการหนึ่งคนที่รักษาสัจจะไว้ได้อย่างมั่นคงน้น เราจะเห็นได้ว่าคุณธรรมทุกอย่างที่เขามีอยู่ย่อมมีความเข้มแข็งหรือมีพลังสูงเช่นคนที่มีเมตตากรุณามีความซื่อสัตย์มีความขยันอดทนมีความกล้าหาญถ้าหากเป็นคนไม่ค่อยมีสัจจะคุณธรรมที่ว่านี้จะมีกําลังอ่อนแต่ถ้าเป็นคนมีสัจจะมั่นคง คุณธรรมเหล่านี้ก็จะมีกำลังสูงซึ่งจะสูงหรือมีความเข้มแข็งแค่ไหนย่อมขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของสัจจะทั้งสิน้นฉะนั้นสำหรับคนที่ถสือสัจจะมั่นคงตลอดมาซึ่งถึงแม้จะเสียชีพก็ไม่ยอมเสียสัจจะนั้นเราจะพบว่าแม้แต่ชีพิยัยอมเสียสละได้เพื่อรักษาสัจจะนั้นก็ย่อมหมายถึงว่า แม้จะต้องเสียเงินทองทรัพย์สมบัติหรือจะต้องเสียของรักหรือคนที่เรารักยิ่งเขาก็ย่อมจะเสียสละได้แน่เพื่อรักษาสัจจะท่านเห็นแล้วหรื อ, อยังว่าการรักษาสัจจะเพียงอย่างเดียวซึ่งรักษาไว้ได้จริงๆดังที่กล่าวมาก็เป็นอันหวังได้ว่าคุณธรรมทุกอย่างในตัวของบุคคลประเภทนี้ย่อมเจริญยิ่งยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน ตรงกันข้ามกับคนที่ไม่รักษาสัจจะคุณธรรมต่างๆยากที่จะเจริญในบุคคลประเภทนี้ได้แต่อย่างไรก็ดีก่อนที่จะตั้งสัจจะหรือถือสัจจะในเรื่องอะไรควรจะต้องพิจารณาให้รอบคอบพิจารณาถึงเหตุผลต่างๆอย่าตั้งสัจจะในขณะที่กําลังมีอารมณ์คล่องนำ เช่นกำลังมีความโกรธหรือมีความรักมีความริษยาหรือกำลังมึนเมาการตั้งสัจจะในขณะนี้จะมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะถ้าตนเองได้พลั้งปากหรือรับคำมั่นสัญญากับใครหรือตั้งใจว่าจะทำอะไรในขณะที่อยู่ในอารมณ์เช่นนั้นในเมื่ออารมณนน์นั้นๆได้คลี่คลายไปแล้วก็มักจะมองเห็นว่า ตนเองจะทำตามที่ออกปากหรือตั้งใจในขณะนั้นไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็เป็นการเสียสัจจะและเมื่อเสียสัจจะ บ, บ่อยๆก็จะต้องกลายเป็นคนมินิสัยโลเลมินิสัยอ่อนแอด้วยเหตุนี้พราพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนไว้ว่าสัจเจอัทเทจะทำเมจจะอหุสันโตปฏิธิตาแปลว่า สัตว์บรุษจมตั้งอยู่ในสัจจะที่เป็นอัดและเป็นธรรมที่เป็นอัจคือเป็นประโยชน์ที่เป็นธรรมคือถูกต้องมีเหตุผลฉะนั้นในกรณีที่เรารู้สึกว่าความตั้งใจบางอย่างของเราไม่ถูกเราก็ควรจะเปลี่ยนได้ไม่ใช่ให้ดื้อรัน้นเป็นเถียนตรงไปทุกอย่างและเพื่อมิให้การถือสัจจะของเราต้องล้มเลิกบ่อย ซึ่งในที่สุดก็กลายเป็นคนมีนิสัยโลเลไม่แน่นอนใครๆไม่ค่อยจะเชื่อถือทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จนั้นทางที่ดีจึงควรจะต้องตั้งสัจจะในสิ่งที่เห็นว่าตนพอจะทำได้ก่อนอย่าตั้งสัจจะในสิ่งที่ยากเกินกำลังของตนที่จะทำได้เช่นสมมติว่าเราจะขึ้นบันไดที่สูงนับเป็นร้อยๆขั้น หรือพันๆขั้นถ้าหากเราจะตั้งสัจจะว่าจะต้องขึ้นไปให้ถึงขั้นสุดยอดให้ได้ถ้าตั้งใจเช่นนี้บางทีก็อาจจะขึ้นไม่ถึงเป็นการเสียสัจจะแต่ถ้าเราตั้งสัจจะว่าเราจะขึ้นไปให้ได้ร้อยขั้นถ้าตั้งสัจจะเพียงแค่นี้ก่อนก็อาจจะขึ้นได้ไม่เสียสัจจะและในเมื่อเราขึ้นไปได้ถึงร้อยขั้นแล้ว เราเห็นว่ากําลังเรายังไปไหวก็ตั้งต่อไปใหม่โดยวิธีนี้เราก็อาจจะขึ้นไปถึงขั้นสุดยอดได้โดยไม่เสียสั์จะเลยอันหนึง่งคนในสมัยโบราณเขามีสอนไว้อย่างหนึ่งว่าแม้จะเสียศีลก็อย่าเสียสัต์นี่หมายความว่าในกรณีที่เราเห็นว่าศีลข้อไหนที่เรายังถือไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้เราก็ไม่ถือเมื่อไม่ถือก็แปลว่าเราจะต้องมีการผิดศีลข้อนานเช่นสมมติว่าข้อสุราเมระยะมัชชะเราถือไม่ได้เราก็ไม่สมาทานหรือเมื่อเห็นว่าการละเว้นจากการพูดเท็จเราไม่อาจจะปฏิบัติได้ทุกอย่างเพราะในบางอย่างเราจำเป็นจะต้องมีการพูดเท็จบ้าง ถ้าเป็นเช่นนี้เราก็จากัดขอบเขตเอาไว้ว่าในเรื่องอะไรบ้างที่เราจำเป็นจะต้องการพูดเท็จแต่สำหรับในกรณีที่เราเห็นว่าอย่างนี้เราปฏิบัติได้เช่นถ้าเป็นการโกรหกให้คนอื่นเสียหาย ห, ายหรือเดือดร้อนต้องเสียงเงินเสียทองเสียชื่อเสียงอะไรทำนองนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราละเว้นได้ เราก็ตั้งใจงดเว้นโดยเด็ดขาดหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณถ้าเรารู้สึกว่าเราจะโกหกท่านไม่ได้เราก็ต้องใจละเว้นโดยเด็ดขาดไม่ยอมโกหกท่านเลยไม่ว่าในกรณีใดๆถ้าเราปฏิบัติได้ตามที่ตั้งสัจจะไว้ก็แปลว่าในบางครั้งแม้เราจะต้องเสียศีนไปบ้างแต่เราก็ไม่เสียสัตย์ การปฏิบัติในลักษณะเช่นนี้ดีกว่าคนที่สมาทานศีลโดยไม่ได้ตั้งใจว่าจะรักษาจริงๆแล้วก็มีการผิดศีลข้อนั้นบ้างข้อนี้บ้า ง, บ, างบ่อยๆจงจำไว้ว่าผู้ปฏิบัติที่เสียสัจจะบ่อยๆนั้นจะไม่มีความเจริญในทางธรรมเลยเป็นอันขาดการตั้งสัจจะและรักษาสัจจะไว้ได้ อันนี้แหละที่เรียกว่าสัจจะอธิษฐานเพราะคําว่าสัจจะแปลว่าความจริงความซื่อสัตย์ความซื่อตรงส่วนคําว่าอธิษฐานแปลว่าการตั้งความปรารถนาและรักษาความปรารถนานั้นๆไว้ได้อย่างมั่นคงซึ่งคุณธรรมทั้งสองนี้ต้องบําเพ็ญไปพร้อมๆกันและอาจจะเรียกรวมกันไปว่าสัจจะที่สถานก็ได้ โดยเอาคำทั้งสองนี้มาสนที่กันขอให้สังเกตว่าในการสร้างบารมีทั้งสิบคือทานศีลเนคข ม, มะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขานั้นทุกข้อที่เราจะบำเพ็ญได้สำเร็จจะต้องอาศัยการตั้งสัจจะและอธิษฐานทั้งสิน้นถ้าหาคุณธรรมสองข้อ คือสัจจะกะวิชิฐานไม่มั่นคงง่อนแงนคลอนแคลนแล้วการบำเพ็ญบา ร, รมีข้ออื่นๆก็ไม่อาจจะบริบูรณ์ขึ้นมาได้ฉะนั้นท่านเห็นแล้วหรื อ, อยังว่าคนที่รู้มากมีเหตุผลมากแล้วก็จะเปลี่ยนสัจจะได้บ่อยๆน้นเป็นคนที่มีคุณค่าแค่ไหนคนที่เรียนน้อยรู้น้อยแต่เป็นคนมีสัจจะอธิฐานมั่นคง คนประเภทนี้มีคุณค่าสูงเพียงไรการพิจารณาดูคนว่าเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ดีควรจะไว้ใจได้แค่ไหนอย่างไรนั้นควรจะพิจารณาในแง่ของสัตว์จะอธิษฐานกันให้มากอย่าพิจารณาแต่ในแง่ว่าเขามีความรู้ความสามารถแค่ไหนมีฐานะอย่างไรมีตระกูลอย่างไรมีญาติพี่น้องมีสหายอย่างไร มีรูปร่างหน้าตาอย่างไรซึ่งคนปัจจุบันมักจะมองกันแต่ในแง่เหล่านี้ไม่ค่อยจะมองกันไปให้ลึกถึงอุปนิสัยใจคอที่แท้จริงของคนเหล่านั้นเพราะเหตุที่ทัศนคติในการตีคุณค่าของคนในปัจจุบันผิดไปจากหลักเกณฑ์ที่ถูกที่ควรดังที่กล่าวมานี้แหละคนในปัจจุบันจึงได้ทําอะไรกันอย่างสเพร่า ทำกันอย่างหลาลวงความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างจริงจังไม่เคยมีและที่เป็นกันมากก็คือการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆความไว้วางใจกันในสังคมก็ไม่เคยมีการโกงกันการเอารัดเอาเปรียบกันการขูดรีดกันในรูปต่างๆเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายก็เพราะทัศนคติในการตีราคาคน หรือค่านิยมในเรื่องบุคคลมันผิดดังที่กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าใครที่จะเนตอีกสักครั้งหนึ่งว่าคนที่ขาดสัจจ์อธิษฐานและไม่คิดที่จะสร้างบา ร, รมีในเรื่องนี้เลยนั้นถ้าจะเปรียบเหมือนไม้ผูหรือไม้ที่ไม่มีแก่นก็เห็นจะไม่ผิดเพราะเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยนอกจากไม่มีคุณค่าแล้ว ยังเป็นบุคคลที่มีอันตรายเป็นบุคคลที่นำความเสื่อมเสียความหายนะมาสู่การงานและหมู่คณะได้ง่ายมากท่านลองคิดดูคนเราแม้จะเก่งสักเพียงไรแต่ถ้าเป็นคนไม่มีสัจจะไม่มีอชิษฐานหรือมีแต่ไม่พอคือมีน้อยเกินไปเมื่อท่านจะใช้คนประเภทนี้ให้ทำอะไรท่านจะไว้ใจได้สักแค่ไหน และถ้าต้องปกครองคนมากๆคนเขาจะเชื่อถือได้สักเพียงไรคนโบราณเขารู้กันแพร่หลายอยู่อย่างหนึ่งคือกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำคุณลักษณะอันนี้เป็นที่เชื่อถือของคนทุกชั้นทุกอาชีพคุณลักษณะของพระข้อหนึ่งที่ทำให้คนทั้งหลายยอมรับนับถือกันมาตั้งแต่โบราณก็คือ พระจะไม่มีการโกหกหรือพูดเท็จซึ่งคุณธรรมอันนี้ไม่ว่าคนชั้นไหนแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยเข้าวัดไม่่อยจะสนใจกับาศาสนาเขาก็รู้ว่าการไม่พูดเท็จเป็นเอกลักษณ์ของพระโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นพระจึงได้รับการยกย่องนับถือมากพระพูดอะไรสอนอะไรแม้จะเห็นว่าไม่น่าเชื่อ ไม่น่าจะเป็นไปได้คนทั้งหลายก็ยังเชื่อข้อขุนรามคําแหงมหาราชซึ่งในประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าพระองค์เป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยทูลถามพระองค์ว่าจริงหรือไม่ก็ได้รับทราบจากพระองค์ว่าโดยปกติพระองค์ถือหลักอันนี้เคร่งครัดมากคือเรื่องไหนไม่จริงไม่พูด เรื่องไหนเป็นไปไม่ได้ทําไม่ได้ก็ไม่พูดซึ่งข้าพเจ้าเข้าใจว่าบารมีข้อนี้พระองค์ต้องเคยทรงบําเพ็ญมาแล้วในอดีตชาติมากมายและเชื่อว่าได้ทรงบําเพ็ญถึงขั้นปรมามัตถบารมีมาแล้วด้วยกล่าวคือแม้จะเสียชีพก็ไม่ยอมเสียสัจจะสัจจะบารมี และอธิษฐานบารมีของพระองค์บริบูรณ์มากไม่เช่นนั้นจะเป็นคนมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้แต่อย่างไรก็ดีคนที่จะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับพระร่วงคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราช น, นจะต้องสร้างบารมีอื่นๆ อ, อีกด้วยโดยเฉพาะคือการสร้างอำนาจจิตให้สูงซึ่งจะสูงขึ้นมาได้ ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนในทางสมาธิมาเป็นอย่างดีขอให้นึกถึงตัวอย่างพระฤาษีที่เราเคยรู้กันว่าท่านสามารถจะสาบให้ใครเป็นอะไรก็ได้และการที่ท่านจะสามารถสาบได้เช่นนั้นก็ต้องได้บำเพ็ญตบะมานานซึ่งการบำเพ็ญตบะนั้นเราจะเห็นว่านอกจากท่านจะต้องพยายามหัดเข้าสมาธิให้สูง และเข้าเบ่บ่อยแล้วสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้เบ่บ่อยก็คือในการทำพิธีทุกอย่างของท่านจะต้องมีการตั้งสัจจะอยู่เสมอและเมื่อตั้งสัจจะว่าอย่างไรแล้วก็ต้องทำให้ได้ตามสัจจะนั้นๆและกว่าจะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาก็ต้องใช้เวลากันนับเป็นสิบสิบปีและทางนี้ย่อมหมายถึงว่า ท่านจะต้องเคยสร้างบรารมีในเรื่องนี้มาแล้วตั้งแต่ในชาติก่อนๆด้วยเพราะความศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านั้นไม่สามารถจะฝึกฝนให้สําเร็จได้เพียงชาติเดียวและถ้าไม่เคยมีพื้นในเรื่องนี้มาก่อนก็อย่อมจะไม่สนใจฝึกฝนในเรื่องนี้เลยฉะนั้นสําหรับผู้ที่ตั้งใจฝึกฝนอย่างเอาจริงเอาจังนั้นย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่า เขาต้องเคยมีพื้นในทางนี้มาก่อนแล้ว